เอาเลยตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเอาให้มั่นเลยกานดูนลมหายใจเข้าออกไว้สัก5านาทีสิบนาทีนะแต่ทำก่อนแล้วขอแนะนำประกรรมฐานกองหนึง่งซึ่งเหมาะกับทุกๆคนไม่ว่าขุนเธอจะมีจริตทางด้านไหนก็ตาม ก็าสามารถจะปฏิบัติกรรมาฐานกองนี้ได้เหมือนกันหมดเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วแต่เฉพาะคาว่าเมตตาจะแปลว่าความรักกรุณาแปลว่าความสงสารวุชิตาก็หมายถึงการที่เรามีจิตยินดีอุเบกขาก็หมายถึงการที่เรายอมรับความเป็นจริงแลวก็วางเฉย การเจริญพร ม, มิหารสีหรือ ว, ว่าเจริญความรักเจริญความสงสารผู้จะยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้ ง, จ ง, จงแทนที่จะทําให้เมตตาเป็นสุขเมตตาก็เป็นความทุกข์ได้แทนที่ความโกรณาจะนํามาซึ่งความสุขก็นํามาซึ่งความทุกข์ได้แทนว่าการยินดีจะเป็นความสุข ก็นำให้เกิดกฎของกรรมนำมาเรื่องความทุกข์ได้แต่ภายหลังวางใจไม่เป็นก็เป็นทุกข์ในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเธอจะหลีกความจริงในข้อนี้ไม่ได้เธอมีแน่นอนความรักความสงสารโดยจะพ่อคนที่ใกล้ตัวตัวของเธอมากที่สุด เธอต้องมีสียงนี้หยิบยื่นให้แน่นอนถ้าใจของเรากว้างขึ้นอีกเราก็จะมีกับคนที่รอบๆตัวเราที่เป็นหมูยา่าเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนฝูงและถ้าใจเรามีน้ำใจน้ำใจละกว้างขวางไปอีก<ร>ก็จะมีกับคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ก็เลือกไปจะให้เฉพาะคนที่สมควรจะให้ ถ้จจาใจรลกกว้างขวางไปอีกถึงจะไม่ใช่ญาติจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ยินดีที่จะมีความรักมีความสงสารให้อยู่เสมอจนจิตใจนั้นกว้างขวา ง, งขึ้นไปอีกจะรักว่าทุกคนและสงสารทุกคนเท่ากับตัวเองไม่มีลำเอียงไปกับคนผู้ใดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร เป็นญาติไม่ใช่ญาติเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่จะเป็นสัจจะในฌานก็มีความสม่ำเสมอเท่าเทีเทยมกันที่แสดงออกจากใจของเราพูดเติมเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาวุธิตาและโอเบขาแต่วันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องเมตตาตนเองเรื่องสงสารตัวเองเป็นสำคัญ เรืลองคิดพิจารณาตามเราไปนะว่าสิ่งที่เราเดือดร้อนมากก็พระจำัวจะเป็นเมตตาชาวบ้านสงสารชาวบ้านจนทำให้ใจของเราเองเนี่ยทุกข์เศร้าหมองกระสับกระส่ายเราหมดจะห่วงใยใจคนอื่นใจใจของตอนเองก็ับมีความเศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์ จะลองพิจารณาตัวที่เราเคยเป็นอย่างนี้ไหมเราให้ความสําคัญคนอื่นห่วงใยใจของเขาห่วงใยความรู้สึกนึกคิดห่วงใยกระทั่งชีวิตจนีืมดูตัวเองว่าเราไม่ห่วงใยกระทั่งชีวิตของเราไม่ห่วงใยกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของเรา เ่งนียมันเกิดขึ้นกับเธอทุกคนแล้วเธอก็จะเห็นว่าสิ่งที่เธอได้กระทำอย่างนี้เธอหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความกระสับกระส่ายมีแต่ความวุ่นวายมาีแต่ความปิดอัด้วตอภายในใจของเธอได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดเป็นอย่างนั้น แล้วทําไมเราจึงจะเมตตาต่อคนอื่นแนละทําไมไม่เมตตาต่อเราบ้างเราเป็นใครใจเรามันเป็นของใครมันเป็นของคนอื่นหรื อ, อยังไหนและใจมันไม่ใช่ของของเธอเธอจะทอดทุระไม่สนใจใจตัวของเธอเลยหรือเลือมัวจะไปนสนใจใจของคนอื่นเขาและใจคนอื่นนะก็ช่วยให้เราเป็นสุขไหม ช่วยเธอได้ไหมตัวของเธอเองยังไม่สามารถจะช่วยให้ใจของเธอเป็นสุขได้เธอจะเอาปัญญาที่ไหนไปช่วยให้ใจของใครเป็นสุขถูกต้องไหมอุปมาเหมือนกับว่าเราในอ่อนแอเห็นคนตกน้ำก็สงสารเขาโดดเข้าไปช่วยลงไปในน้าก็จมตายไปทั้งคู่ ช่วยไม่ได้แต่ถามว่าใจอยากช่วยจะทำอย่างไรถ้าเราอ่อนแอเราก็ขอให้คนอื่นช่วยแทนเราที่เขาเข้มแข็งถ้าไม่มีคนอื่นละ่ะจะทำอย่างไรเราก็หาสิ่งอื่นใดที่สามารถจะช่วยเขาได้โดยที่เราก็ไม่ตาย แต่ว่าทําอย่างนี้เราก็กลับเป็นคนใจดำน่ะสิถ้าใจดําแล้วก็เดินหาไปแล้วเดินไปแล้วไม่สนใจหรอกไม่ใช้แม้กระทั่งความคิดที่จะต้องคิดช่วยเหลืออะไรจะเสียเวลากระทั่งความคิดจะเป็นไม่มีแน่ถ้าใจดำแต่นี้เรามีความเมตตาจึงคิดและขนหาวิธีที่จะช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ให้เราโดดลงไปช่วยก็ตายทั้งคู่ ก็ไม่ใช่ว่าช่วยเขาได้ช่วยเขาก็ไม่ได้ตัวเองก็ตายไปด้วยทุกไปด้วยนั่นเองโอปมาว่าอย่างนั้นแล้วเธอต้องทำให้ตัวของเธอแข็งแรงก่อนถูกต้องไหมถ้าเธอแข็งแรงเสร็จแล้วเธอจะลงเข้าไปช่วยใครมันไม่ยากเราพอช่วยได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าใจของเราเนี่ย มันยังช่วยตัวเราเองไม่ได้ณเวลานั้นน่ะเธอไม่สามารถจะไปหยิบยื่ยนช่วยใครเขาได้เลยตอนทีเธจะรักมากแค่ไหนจะสงสารมากจากจิตจากใจเพียงใดเธอก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปช่วยเขาได้ให้เขาดีขึ้นให้เขามีความสุขขึ้นใจเขาจะสบายใจขึ้นมันเป็นไปได้ชนไหน ดยตัวอย่างองค์เสด็จพระจอมตรายบ ร, รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูของเราสิพระองค์ทร ง, ทรงเข้มแข็งแล้วดวงพระอรหันต์กพระองค์นั้นแต่กล้าพัางพร้อมสมบูรณ์รับบริบูรณ์แล้วน้ำพระไทัยกับพระองค์นั้นไม่ขาดสายที่ยังหยิบเชิดให้กระหม่ปมสัตพ์ทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าบุคคลจะเป็นใคร ขอให้บุคคลคนนั้นเข้าขอบขายพยานของพระองค์ที่ทรงสามารถจะโปรดได้สมคร่อบได้พระองค์ก็จะไปโปรดนี่ก็เรื่องสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังพระทร ง, ทรงพระชนชีพอยู่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆยท่านปปปาจาราเฉรีเคยฟังไหมท่านปปปาจาราเฉรีเนี่ยเป็นลูกเศรษฐี แต่ท่านก็มีกรรมใจของท่านก็เลยไปยินเดียกผู้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนยากจนเขาเรียกคนขายฐานจนแต่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นลูกาสาวเศรษฐีคนเดียวใจของท่านมันกระสับกระส่ายเล่นหลนอยู่ไม่ได้ก็พาตาผู้ชายหนีไปอยู่กันในป่า คนที่ไม่เคยทำอะไรเลยลำบากระบนจะก็ต้องอดทนทำเพราะความรักกับผู้เป็นสามีของตนอยู่ไปอยู่มาท่งนกาต้องท้องทะมานประเพณีของพราหมณ์ก็ต้องไปคลอดลูกที่บ้านบ้านพ่อบ้านแม่ไอ้เขาจะกลับไปสามีก็มาอยากกลับเพราะกลับไปก็โดนสินะ ขโมยลูกสาวเข้ามาเนะี่ยโดนแน่นอนก็กรวัวจะตายส่วนภรรยาเ น, นี่ยก็ยังไงก็ต้องกลับต้อไปคลอดลูกที่บ้านพ่อบ้านแม่ให้ได้ก็หนีสามีออกไปสุดท้ายสามีก็มาตามทันก็พากันนี้กลับยังไม่ทันจะกลับถึงบ้านก็คลอดลูกในป่าเป็นอันว่าคลอดแล้วก็ไปกลับอยูไปอยู่มาก็ท้องอิด แลท่านก็ตัดสินใจอย่างนี้อีกสามีก็เดินตามไปอีกก็ไปเจอกันในป่าแต่ชีนี้ปัวประการนะทำมห้ท่าต้องโศกเศร้าเสียใจอย่างมาหันนะักหาคนที่จะพบประสบประสบชีวิตอย่างท่านอย่างนี้หายากมากสามีมาเจอนในป่าก็จะพากันกลับ ท่านก็จะปวดท้องจะคลอโลูกให้ได้สามีก็รู้จะทํำยังไงไอ้ฝนฟ้าก็คลึกกระนองฟ้าก็เปรี้ยงลมก็แรงเมียก็จะออกลูกทําไงก็ต้องหาที่มุงที่บงังมันก็ไม่มีอะไรในป่าที่มันจะมุงบังได้อย่างดีสามีก็เอามีดแลเข้าไปตัดหาโดยที่ที่มันจะมารจะบงังแดดบงังลมบงังฝนได้บ้าง ก็ไปเจอจอมปลดเข้าท่านก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรในจอมปลดจอมปลดมันจะเงืขึ้นมาพอบางฝนบางลมได้บ้างพอเข้าไปจะตัดเสี่ยงไม้ไอ้งูเห่าที่มาอยู่ในนั้นมันโดนฝนนีนมนออม่มันก็ออกมามันก็ฉกกะท่านก็เสียชีวิตไปส่วนฝ่าภรรยาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าทนไม่ไหวไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้ ล, ละทุกขเวทนาแก่กล้า ลูกก็จะเบ่งออกมาสุดท้ายท่านก็คลอดลูกออกมาไปไหนไม่ได้ลูกชายอีกคนนึงก็อยู่ด้วยลูกน้องคนน้องเพิ่งออกมาใหม่ก็ต้องเอาไว้ในอกตัวเองก็ค่อมไว้ทรมานไหมทรมานจักใจทีเดียวนะคนเป็นแม่เนี่ยนึกภาพออกเถอะลูกก็ร้อง เธอก็ไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ที่มุมที่บางได้ทนไปจนฝ่าฝนมันจะจาลงลมมันจะคล้อยเคลื่อนจิตก็ประวัตินึกแต่สามีว่าทำไมไม่มาเธอไปอยู่ที่ไหนจะเป็นจะตายอย่างไหนก็นึกอยู่อย่างนี้ทรมานทั้งใจทรมานทั้งกายพะ มันซาแล้วท่านก็พยายามประยุงร่างกายของท่านเดินไปทางที่สามีเดินไปก็ไปพบสามีท่านเสียชีวิตเสแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็มากอยู่แล้วนะแต่ก็ยังมีความหวังสุดท้ายก็กลับไปบ้านถึงคยังไงเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็เลยจูงลูกคนหนึ่งอุ้มลูอีกคนหนึ่งเดินทางกลับไปบ้านไอ้ไปมันก็ต้องข้ามน้ํา มันเป็นแม่น้ําที่มันไม่มากนะนะแต่เวลาฝนมาตกน้ํามันท่วมเยอะน้ํามันก็ไหลแรงท่านก็คิดว่าเราจะต้องเอาลูกไปชีเดียวสองคนเราไม่ไหวกําลังกายท่านไม่พอก็เลยเอาลูกคนเล็กที่ออกมาใหม่ๆข้ามไปก่อนเดี๋ลูกคนโตก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแดงข้ามไปแล้วเอาลูกคนเล็กไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเอาใบไม้มาลองๆไว้ไปชี้โลง่ง แล้วเดิกลับ ม, บมันจะรับรูมของตนก็ได้นมาถึงกลางแม่น้ําทางสายน้ําที่มันไหลเชี่ยวนะเวทกรรมมันจะทําอะไรขนาดนั้นก็มีนกเหยี่ยวมามันเห็นเหยื่อมันก็โผลเข้ามาจับเหยื่อของมันมันไม่คยรู้ว่าเป็นอะไรหรอกรู้แต่ว่าเป็นเหยื่ยอก็จับเหยื่อเด็กทารกน้อยัขึ้นไปในอากาศ พวเป็นแม่ก็ร้องเพื่อจะขับไล่ให้ลูกของตนนั้นปลอดภัยมือก็ปักไปตะโกนหวกเวกไปลูกชายที่อยู่ฝั่งนู้นนึกว่าแม่เรียกให้มาก็เดินลุยน้ำไปยังไม่ไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะต้านทานกระแสน้ำไหลไปตามน้ำตายไปอีกคนต่อหน้าต่อตายัง ยังพอทําใจได้ว่ายังมีที่พึ่งคือต้องกลับไปบ้านยังมีพ่อแม่ของเราอยู่ถึงจะเสียใจจับจิต จ, จับใจยังไงแต่ก็ยังมีที่ไปที่ไปยังมีเดินทางกลับบ้านในความร้องห่มร้องไห้เสียใจสามีเกิดมาตายลูกภรรยาลูกของเราก็มาตายสองคนวันนี้มันจะเป็นวันอะไรของเรากลับไปท่านก็เดินทางจะไปทางที่บ้านก็มี ชายคนเดินเดินสวนมาเป็นปรามก็ได้ถามว่ารู้จักชายผู้นี้พวกเป็นบิดาบรรดาของตอนไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างชายคนนั้นก็อย่าถามเราเลยเมื่อคืนนี้เธอรู้ไหมว่าฟ้าฝนแรง ร, รัรู้มันเป็นวันที่โหดร้ายสนับชันมากต้องได้วันเป็นวันของฉัน